มงคลชีวิตมงคลที่26ฟังธรรมตามการกาเลนะธรรมสวังเอตัมมังคลมุตตังขณะเวลาหรือช่วงใดช่วงหนึ่ง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 ได้เรียนรู้สิ่งที่ยังไม่เคยเรียนรู้ 5. แก้หรือบรรเทาความสงสัยได้ 6. สิ่งที่เคยฟังแล้วย่อมชัดเจนยิ่งขึ้น 7. ได้แนวทางแห่งการปฏิบัติธรรม